ก็กาคณะสมชลปนยักยอมทุกท่านนะครับที่ทันใจปฏิบัติธรรมก็ธรรมาก็เดินทางมาจาริปุลก็มีการหบรมถุกอาทิตย์ก็บรรยายธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันก็สนสนใจ คนญี่ปุ่นนี่ก็คำลังจะสนใจการพัฒนาจิตก็มากขึ้นนะครับเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นนี่ก็ก็มีคนที่เป็นทุกก็มากพอสมควรที่สถิตแอสิติเป็นโคอมูงก็ว่า ปีนึงก็คนที่กล้าตัวตายกันก็3าม0 0ื่คนบัมปีก็3ามหมกว่าก็วันหนึ่งก็นับเป็น100คนก็เป็นคนที่ตายกล้าตัวตายกันแล้วก็คนที่คลาตัวตายแต่ว่ามันไม่ตายนะก็กวบ10ิบเท่า ก็ความนึ่งพังคนโต ว, วันเนพราะว่ามันก็เพราะว่ามีคมีใจมันทุกขนะ์แล้วก็ไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงโดยเฉพาะอายุ20ถึง40นะเป็นอายุยันหนุ่มสาวแล้วก็ยันเป็นคนที่เป็น ไม่ได้แก่เท่าไหร่ไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่ว่ามันจิตใจมันทุกข์ก็เลยคนที่แบบสอนอ า, อายุ 20-40 ถึงนี่ก็สาเหตุที่ทำให้กล้าตัวตายาทำให้ตายนี่กล้าตัวตายนี้มากทีุ่ด ถ้าเป็นประเทศเออนีย จ, จะเป็นคาเอ่อเป็นตายเพราะอ่ารถจนเพราะเป็นโรคแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนี่ก็คา่าตัวตายกันอันนี้ก็ต้องแก้ไขเพราะว่าเราก็พอ ร, รู้ว่าเอ่อเศรษฐกิจ ดีพัฒนาฐานด้าวัตถุฐานดังาด ง, ง, งานเงินหรือว่ามีครอบครัวมีมีโะทร t h มีมีรถยนต์อะไรต่ตางๆนี่ก็ช่วย แก้ไปัญหาจิตใจไม่ได้เพราะว่าอะไรก็เพราะมันทุกข์นี้มาจากไม่ใช่ดันโหนกมาจากจิตใจจิตใจก็ถ้าเราก็ไม่รู้จัก จะแก้ไขปัญหาก็ก็จิตมันปุ่นเต็มไปสารพัดร้านเรื่องเรื่องใหญ่เรื่องต่อเรื่องยาวนานเรื่องคิดบ่อยๆแม้ว่ามันจบลงแล้วแต่เราก็ยังคิดได้ กินไปเรื่อยๆจอมแบนโมโหรหรือว่าเป็นกำบมเป็นห่วนกุ้มใจเหยียวเฮมันจิตใจหุ่งซ้ำไปโดยไม่รู้จักจะแก้ไขก็คนที่เป็นอย่างนี้ก็คนยังมีมากในโลกนี้ แต่ปัจจุบันนี้ก็ที่ญี่ปุ่นก็มีพระเรียนรู้ปฏิบัติที่ประเทศพม่าบ้านหรือศรีรังกาแล้วก็กลับมาประเทศศรีรังกานี่ก็ที่ตันานอาจารย์ สมนานณสารมหาเถระเนะ่เคยมาเยี่ยมเยียนว่าเรานะคนี่นจำไดนะ้มากับกลุ่มทัวร์ป็นคนยี่สิบห้าสิบคนนะเมื่อเดินคุมพาพันที่ผ่านมานี้ทั้งก็ดีสอนดีเขียนนั้นือลายเล่มผมก็เขียน เงินเสือกก็ 3-4 ีเล่มแต่อาจารย์สมบัติสาระนี้ก็กว่บ100ร้อยเล่มก็เผยแพรธรรด้วยเมตตาด้วยการุณาให้คนญี่ปุ่นรู้จักวิธีแก้ไขอังหาชีวิตจิตใ จ, จโดยแนวทาง ตศาสนาสายเทราวัตสายมหายานนี่ที่ญี่ปุ่นนี่มีอยู่เรามีวัดก็มีพอสมควรแต่ปัจจุบันนี้ก็ก็สอนธรรมะก็น้อยทาพิธีสวดมนต์ถ้าเป็นคนตายแล้วก็หน้าที่ที่สำคัญก็ รักษาสุสานของบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ก่อยซอมธรรมะก็เลยคนญี่ปุ่นท่าทุกใจแล้วก็บันทีก็ไปหาหมอกินยาบันทีไปหา เป็นอาจารย์เป็นสปิริตเจ้านะแผอาจารย์เป็นที่หลายอย่างแต่ว่าจะแก้กไขไม่ได้กินยาก็มันชั่วคราวมันจิตใจมันเบาบางแต่ว่ายังมียังมีความกำบวม ยังมีสาเหตุไม่ดับไม่ดับก็จะทุกข์ไปเพราะฉะนั้นนี่ก็แก้ไขไม่ได้ก็ทุกข์ไปเรื่อยๆโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นนี้ก็ตอนนี้ก็มีคนก็หาก่งหางกันห่างกันหมายความว่าไม่ได้เป็นกันเอง เป็นอยู่ในบ้านคนเดียวก็มีหลายคนก็เก็บตัวไม่ได้ออกบ้านก็บางคนก็จะเล่นเกมอินเทอร์เน็ตตลอดวันไม่ได้คุยกับใครบนที่อ่าน คอมูลจากอินเทอร์เนต็ตที่ว่ามันก็คิดคอมูลไม่ก้อยดีต่อจิตใจด้วยก็เลยมันมันขาดโอกาสมันก็ร่าทุกมากขึ้นก็ไม่อยากอยู่ ในโลกนี้อาการตัวตายดีกว่าก็ทําไปทําไปแล้วบางทีก็กินยาบางทีก็ปลุกคอกระดอดอาการบางคองก็ไปไม่ตายนะแต่ว่า มีเจ็บเจ็บปวดมันหลายปีแล้วก็คนที่อยู่รอบตัวคนกา้าตัวตายนี่ก็ก็ทุกข์ใจด้วยกันทำไมเขาเป็นทำอย่างนี้อย่างนั้นถ้าตายแล้วก็คนที่เป็นพ่อแม่ก็เศร้าใจทุกข์ใจ หลายปีจนถึงตายก็มีก็เลยตอนนี้ก็ต้องรีบเผยแพร่ความดีงามของคำสอนงพระพุทธเจ้าให้คนญี่ปุ่นเข้าใจสามัดกัน ไม่เรียนรู้อย่างเดียวก็ไม่พอก็ปฏิบัติไปด้วยธรรมดาตอนที่อัรมาสองก็ก็ถ้าเป็นวันหนึ่งเป็นโปรแก ร, รมก็เช้าก็สองทฤษฎีของพุทธศาสนาแล้วก็บ่ายบายก็ก็ปฏิบัติทำ ยกมือสั้งจังหวะเดินจองกลมบานตีก็โดยลมหายใจบ้านถ้าเป็นวันสองวันสามวันแห่งอบรมก็มีบ้านก็ให้เข้าใจแล้วก็สนทนาทาคันมีปังหารายก็ถามเขาก็ว่าด อะไรต่างๆพอบรรทุกก็แต่ว่ายัางไงก็ตามสิ่งที่ทสาสำคัญก็กาที่บรนทุกนี่ไม่ได้ดูความทุกข์อยากหนีจากความทุกข์ไม่ไม่อยากดูแล้วก็มันของก็ ไปกินเล่าไปเที่ยวหรือว่าเก็บตัวเล่นแด้งเกมอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ดูทุกที่ใจถ้าดูทุกใจนี่ก็เป็นสามกัรเป็น มุตเจ้าสองอริยสัจีทุกขันนี่เป็นบวนต้องของอริยสัจีแต่ว่าุทธสาสนาบางคองก็เข้าใจปิดว่ามุตสาสนาเป็นสองความทุกข์ชีวิตของเราทุกต้นทุกใจไปไม่รอดอก็เข้าใจปิด พระุธเจ้าสอจากการความทุกข์จนถึงหมดทุกขนะ์การหมดทุกข์นี้ก็เป็นเป็ น, นโรธนะมันสาเหตุทำให้เกิดทุกข์ก็มีเป็นสมุทยัยพระพุธเจ้าสอ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่มันทุกมาจากเป็นเทวดาเป็นมารด้านนอกนะเป็นพระเจ้าเป็นทำให้เราทุกนี่ก็ไม่ใช่รู้ว่ามันก็บางเอินทุกเพราะไม่มีสาเหตุบางเอิน อันนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธแล้วก็มันก็เป็นทุกข์เพราะอดิชาติอันนี้ก็พระพุทธเจ้าปฏิเสธพระพุทธเจ้าสอให้สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็ทำการกระทําตามกายวาจาใจในปัจจุบันนี้ ไม่ใช่สาเหตุจากดังด้านนอกหรืออดีตชาติหรือพระเจ้าหรือไม่มีสาเหตุอะไรต่างๆเป็นบงังเอิญอันนี้ก็เป็นปมิจฉาทิฏฐิขอรพระพุทเจ้ากรสองให้ดูสาเหตุดีๆอย่ที่ใจตอนแรกได้ก็ต้น เจชิญความทุกข์ไม่ต้องหนีจากทุกข์ไปตํานี้ทันั่งให้เห็นเห็นแล้วก็เราก็รู้หน้าที่ของเราตดกลางทุกข์นี้ก็เป็นมันการดูานเห็น ไม่ใช่เป็นทุกเป็นหน้าที่ของเรามันเป็นทุกกับเห็นทุกนี่ก็เป็นของหลายอย่างกันอารลว์พอก็สอนบ่อยๆนะอย่าเป็นผู้พูดเป็นนะให้เป็นผู้ดูนี่ก็เป็นการสอนที่สำคัญมากถ้าเป็นผู้ดูแล้ว ก็ผู้สความทุกข์ก็สาเหตุก็เกิดเห็นด้วยตรงเองว่าโอ้นี่ก็มีที่จิตใจเป็นอาการเป็นชั่วคราวเป็นกูทุก่องคิดพุ่งซ้งไปจิตมันปุ่นเต็มเป็นสังขาร ก็เราก็รู้แล้วก็อ่าก็ปฏิบัติปฏิบัติ ด, ตดีต่อการสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ต่างึดกิดตอนแรกๆก็เล็กๆน้อยๆว่าเขาว่าดาอามันเห็นแล้วก็มันงดกิด แต่ว่าถ้าคิดมากก็เป็นความกรอดความโมโหแล้วก็จอมแวงคิดนานแม้ว่ามันเลื่อนจบร่อนหรือว่ามีคนหายไปแล้วก็ยังคิดอยู่ในตลอดบางก็มีหรือว่า2วัน3วัน10ปี20ปีมันทุกกรนีก็สร้างขึ้นมันยาวๆใหญ่ๆ ก็เดยเราก็พยายามที่จะให้ดับไม่ว่าเป็นสมมุติว่าเป็นไฟมันเล็กๆน้อยๆแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆจะเป็นไฟไหม้ ไฟไหม้บ้างไฟไหม้ป่ามันเลื่อนยายต่อเลื่อนจิตใจก็เหมือนกันถ้าเราเล็กๆน้อยๆมันเกิดขึ้นมันนึกนิดเป็นเล็กน้อยก็รู้แล้วก็ปล่อยไปมันดับไปได้ดับไปได้พอมันเป็นสาเหตุ มันเป็นความอยากปัดทางพบชาติก็เลยจะละมันเกิดก็จะรามนลนะแล้วก็ถูกมันสารพัดแล้วก็มันปล่อยแล้วก็เป็นเป็นอภิจาททำให้เราก็เกิดสำ้ำขาบิญญามารูปไปเรื่อย แล้วก็แล้วก็จะเป็นเกิดเวทนาถ้าเราก็รู้เวทนาแล้วก็มันรู้ได้มันเป็นทุกขเวทนาสุขเวทนานี่ก็เป็นมันเกิดเพราะมันกรรมของเราแต่ว่าเราก็เลือกได้จากเวทนาเกิดขึ้นมัน ไม่สบายใจไม่สบายกายอารมณ์เสียอะไรต่างๆก็รก็รู้ถ้ารู้แล้วก็ปล่อยได้ถ้าไม่รู้ก็เราก็อยากได้ชอบไม่ชอบอยากได้นี่อยากได้นั่งอยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากเป็นอย่างนั้นก็เป็นต่างหาแล้ว มันก็ยกิมันยึดเหนี่ยวเป็นปัตตาห์ก็เปลี่ยนได้แล้วแล้วก็สร้างว่าเป็นตัวจันตนของเราตัวเราตัวว่าเป็นของเราอ่านี่ก็เป็นพบชาติแล้วก็เลยเราก็ไปจะอยากไม่อยากจะ ตัวเราเสียมันเป็นจารามรณะตัวไม่อยากแก่ไม่อยากตายไม่อยากเจ็บฉันเป็นอย่างนี้อยากจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอ่าก็เลยมันสิ่งจี่มันเกิดห า, ายิจเห็นลืบน้มอะไรต่างๆมันก็เกิดขึ้นอีกเป็นจอม เป็นๆวัตตาสองสาไปเรื่อยๆก็เลยเราก็ให้รู้จักมันมีสติมันช่วยได้มากเช้าก็อาพากเจ้าเียนอาราบยมามาบิาอะไรชยชูราเอ ก็สัมผัสก็ว่าเป็นมีผลยังไงเป็นอะไรอ่าสติปัฏฐานสี่มันได้ผลยังไงอาตมาก็ได้ผลดีแล้วก็มันก็มีอิทธิผลต่อ มันชาติหรือว่าชมจงก็ดีขึ้นได้ถ้าเป็นคนหลายคนก็เป็นคนดีคนรู้จกักบิธีแก้ไขปัญหาเป็นการทะเลาะ ก, กันการสงกรามนี่ก็มันเกิดที่ใจ ถ้าเราแก้ไขปัญหาจิตใจทุกๆกนหรือว่าคนที่ทุกแก้ไขได้มาขึ้นมากขึ้นก็เป็นชุมช ม, ชมหรือว่าปทศชาติก็สงบรนดี เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหน้าที่ของเราก็การทีด่ดีก็การปฏิบัติทำได้ที่สถานที่เหมาะสมเป็นสัพยะอาหารกางกินสมบูรณ์แล้วก็มีปาอ่ธรรมชาติเป็นครูมีครูบาอาจารย์ วันนี้ก็หายากก็มีคนญี่ปุ่นก็มาเรื่อยก็มีคนมาบา ง, งก็มีกองสองกอมาวันนี้อาจจะมีกองสองกอมาก็หลายกองก็มันเคยเป็นความทุกข์เคยเป็นค่าตัวเองก็มี ก็เกิมา20กว่าคนแล้วแต่ว่ามาปฏิบัติทรรมที่นี่แล้วก็ก็แก้ไขได้ด้จากวิธีการแก้ไขขับไปบ้านแล้วก็ก็เป็นสมบัติที่สำคัญก็คือว่าวิตรีการเันคำสองของพระพุทธเจ้า แล้วก็รู้จักความทุกข์มันสาเหตุความทุกข์แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็เป็นการทำให้หมดทุกข์เป็นบิธีการเป็นอริยสัจเป็นอริยามรรคอมนี่ก็เป็นสมบัติที่ดีเป็นของควรที่ดี จากพระพุทธเจ้าของเราก็เราก็จะให้คนที่อยู่รอบตัวอยู่ที่ไหนก็ตามมีกองทุกข์แล้วก็ไม่รู้จักแก้ไขทุกข์มันมีหลายกลยังติดกับนี้ติดกับนั่นบันทีก็ติด มันเป็นสิ่งของบันทีก็ติดทฤษฎีการเห็นบางของก็ติดกับวิธีการหรือว่าเป็นวิธีรีทรรอนอะไรต่างๆบางของก็ยึดมั่นถือมั่งกับฉันเป็นตัวฉันตัว ก้อนนี้ก็มันก็ทำให้เราทุกมันจิตใจความร้อนก็เลยมันก็สตินี่ก็ช่วยให้จิตใจมันเย็นเย็นเป็นปกติเป็นผาสุกได้เพราะว่าไม่ให้เรื่องต่อเรื่องใหญ่ เป็นให้เล็กๆน้อยๆก็แก้ได้บันทันทีเป็นมันบิธีการที่ทำให้โลกนี้มีความผาสุกเป็นสงบได้แน่นอนก็คิดว่ า, าพวกเราก็ มีหน้าที่ก็ไปยังที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็มันเป็นชีวิตรประจำวันนี่ก็มีโอกาสคุยกับคนนี่คนนั่งให้เป็นมีความเป็นสันติภาพทำไปที่ไหนก็เราก็มี สัมมาทิจัยผีความดีงามทางกายทางวาจาตัณใจก็จะเป็นความดีงามก่อยต่อขึ้นใหญ่ขึ้นมันเรื่อยๆตอชีวิตรเราแล้วก็โอก ของเราด้วยนะครับก็สำหรับเย็นนี้ก็คิดว่าพอเวลาพอสองวงนะครับขอให้พวกเรามีความสุขความเจริญให้ปฏิบัติธรรมให้เจริญมากขึ้นมากขึ้นจนถึงมีปัญญามีสติมหาศารจนถึงมาปนญิปานในปัจจุบันันี้ทุกคนเถอ